พุทธบริษัทในบ้นานพระิตทั้งหลายจึงจินปู่คารพบูชาในคุณภาะชีตัตนาตรัยในนอนตายน้อมบาจานอมจิตใจเพื่อคารบบูชาฟังธรรมมะธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธมาสัมพุทธเจ้านั่นจงตั้งในความสงบการที่พอกเท่าเราท่านทั้งหลายมีอายุชีวิตมาถึงวันนี้นั้น ก็เรียกว่าเป็นบุญโกฏฐาตอันหนึ่งซึ่งว่าเรามีโชคเป็นอย่างดีที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนั้นก็คือคำให้สติของพวกเธอทั้งหลายว่าเห็นการใกลเห็นการใกล้เห็นไอ้ความบกท่องในตัวของตนทุกๆคน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 รู้ตามสัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราช่างหลายประกันเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงนั่นน่ะการอบรมเฉพาะย่อยๆเฉพาะวัดหลงปูโพงที่มาอบรมอย่างนี้ยี่สิบห้าปีมานีน้ถ้าใครมีความเคารพรับ ร, บ ร, บรู้ฟังเอาไปภาวนาอืมนะ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 ภาวนานี้แสดงมันคม้มทานหรือศีลก็เหมือนกับเนื้อภาวนาเหมือนกระเกลือเนื้อมันจะอยู่ได้มันไม่เน่าเพราะกเกลือทานที่ถูกต้องศีลมันที่ถูกต้องกเพราะการภาวนาฉะนั้นการภาวนานี้จริงเป็นคุณค่าอันดับเริศประเสริฐมากที่สุดท้ายของการของบา ร, รมีทางหลายนั่นเอง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 ปูกอะไรทําไร่ทานาทาสวนพวกประการนั่นเองถ้าขาดการภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยไม่ผลน้อยคือความฉลาดในการปลูกพืชอันนั้นเองไม่รู้จักพันุ์มันไม่รู้จักพืชมันไม่รู้จักสถานที่มันไม่รู้จักสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งทังายเหล่านั้นไม่รู้เพราะการไม่พิจร า, ารณารการภาวนาคือการพิจารณาแบบนี้ โดยมากคนเราเห็นว่าคนอื่นทำก่อนทำไปเห็นเขาทำยังไงก่อนทำไปอย่างนี้อาจจะมาเคยพอบอว่าทำงั้นมันจะถูกไม้ยมอมนื่พ่อแม่เขาทำมาอย่างนั้นนี่เป็นต้นเป็นหลักฐานของค น, นมีปัญญาฉันก็ไม่รู้พ่อแม่เขาทำกันมาอย่างนั้นอนทำกันมาอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่นบุญบังไฟเราทุกวันเนี่ยีตัวอย่างอ่าไอฮิบุญมันงงงกันทั้งประเทศชาตไม่ใช่ประเทศแต่ภาคอุสาหเรานีแต่โดยมากบุญบังไฟอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครแล้วพูดให้บุญบังไฟดูที่ว่าเรามองเห็นประโยชน์อะไรมันบ้างนะถ้าเราภาวนานนะ ถ้าใครภาวนาดีออกจากไปหามกองซุ้มกันทันทีเลยเหนื่อยดูดิดูกันดีๆีเถอะก็ดีเลยว่าทำกันโดยที่ว่าเขาทำมาเพื่อสนุกสนานอะไรกันก็นกนไม่รู้นี่ประเพณีที่เรามันเหลืออยู่นั้นแค่นี้เราก็ยังคิดกันไม่ออกยังไม่รู้เรื่องว่าเราจะรู้จักพุทธศาสนาได้กันอย่างไร เท่านี้เรายังเด็กแค่ไม่เอามันออกอเรื่องเท่านี้นะให้มันจิตบังเราอยู่อเอคนทั้งหลายเหล่านี้ก็เดี๋ยวม่เห็นวันคืนวันคืนมันร่วงไปร่วงไปวันที่เราทำอะไรอยู่วันที่เราเอาบนเอาไฟอยู่ไม่ดูเรื่องนี่ประโยชน์อะไรไหมทีนี้เราควรคิดจะหาก่าใครในภาวนา เกับจะนับรองวา ย, งายโยมผู้ชายเราทุกทุกคนเนี่ยแต่ก่อนก็เป็ น, นหน้าค่ะและบุญอกไฟแตเดี๋ยวนี้จะมาเห็นที่ว่าจะไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เป็นประโยชน์ซะแล้วนี่มันเป็นซะ อ, อย่างนี้นี่เดียวก่าการภาวนาเห็นอืมเอาออกมันออกเอง ม, มันเห็นแล้วมันดูดไปเท่านี้แหละเรา ซึ่งนับถือประพุทธศาสนาของนิดนิจไม่น้อยตอนนี้ไม่เห็นไม่เอามันออกอผู้ปฏิบัติศาสนาทุววันนี้ยิ่งมันหนักไปในการลังเลสงสัยสารพัดอย่างตัววันนี้ถ้าหากา็โยมถ้าเราไม่รู้หลักอันนี้แล้วเสียไปแปลไปเปลี่ยนไป คือปฏิบัติมายึดหลักมันไว้ไปเหนือจะมาไปอยู่อำานาจเจริญไปอยู่นั่นท่านครูหรือใครนำเด็กๆมาบวชกันเป็นหลายร้อยคนเขาก็อยากจะให้ลูกใครบวชอยากให้ถึงว า, าสนาเนี่ยต่ไปบวชกันโอ้โหตอนนั้นเด้งหกนั่นแหละเอาเข้าไปมันก็หิว เด็ไม่ดูเรื่องตอนเย็นมามัม่วงมันเต็มต้นมันมันถูกมานหามนี่นั่นเลยอาเด็ก็ัเดียนไปบวชเอาบุญการตอนมืเช้ามามัม่วงหมดไม่รู้อะไรมันไปกินดีมาดีมันขอกราบเรียนท่านพระครูวะแทนพระครูครับผมว่าฉันจังหันเนี่ยฉันข้าวเนี่ยสี่โมงเช้าสาทีหนึ่งดีเรียสบายสองโมงอีกทีหนึ่ง ดี่ครับอยังนี้ตอนฉันตีเช้าจะต่อปรเดี๋ยวเพลเขานั่นน่ะมันยังไม่หิวเลยครับระะเงินไม่เท่ากันแบงเงิมันจะเท่ากันใช่ไหมฉันตอนเช้าสักสี่โมงสักบ่ายสองโงฉันอีกทีมันเท่ากันนั่นแหะฉันต้องหุ่นนี่มันเรื่องเด็กที่มันมีปัญญานะแต่มันมีปัญญาไปทางนี้จะทําไงมันมีปัญญาที่จะทําลาย มันจะทําให้ถูกต่องกับใจมันมันขัดของใจไหมมันจะทําไหมมันทําลายทําลายสิ่งทั้งหลายออกไปเจ้าปู่บาทุกวันนี้คนแก่มันเป็นเศษคนอืคนแก่มันเป็นเศษคนเด็กๆหนุ่มๆ น, น้อยๆเขาไม่คารวบบูชาเด็กเพราะวมันมีปัญญา นี่มันจะดูใครมันผิดหรืถูกก็ไม่รู้แต่คนแก่เขไม่ดูเรื่องไอ้คนหนุ่มเขไม่ดูเรื่องอย่างนี้มันต้อขาดจากการคารพคารวะซึ่งกันในกันไอ้ความเป็นจริงหลักของพระพุท ธ, ธเจ้าคนนั้นสอนว่าหลักการเคารพเป็นสิ่งสี่งสำคัญเหมือนกันใครทุกคนทั้งตัวจะมานีแหละด้วย ไม่เคยชอบคุณพอ่อคุณแม่หรอกนะจะเป็นเร็ ก, เ, กเป็นหนุ่มๆไม่ชอบตอนเช้ามาขบวนตอนเย็นมาขบวนเมื่อก่อนไปทําำโน้นเดี๋ยวก็ทําำอันนี้เราก็ยังขี้เกียจจะไปทํารอคอยไปทํา ง, งานเราก็ไม่อยากไปอะไรไปเดินมัสนุ ก, กว่าอย่างนี้ยแสว่าก็ไม่เคยว่าคิดจะไปฆ่าไปแจงพ่อแม่หรอกถึงนขนาดจุกจิกขนาดนั้นก็ยังเคารวอยู่ เพราะว่าท่านเป็นพ่อเราแม่เราซึงถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เลี้ยงเดามาให้มันโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต่อพ่อท่านความเห็นอันนี้ยังอยู่ในใจจะโกรธก็โกรธไม่มั่นหมายจะรำคาญก็รำคาญไม่มั่นหมายไม่เอาจิงเอาจังในการกระทาอย่างนั้นเพรเพราะว่าความเคารพในใจมันมีอยู่อย่างนั้น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 บอกแกก็ไม่ฟังทําอะไรแกก็ไม่ฟังจะไปโกรแกซะแกไปทิ้งแกซะก็ไม่ได้ไม่ถูกเรื่องกินเหล้ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องพ่อแม่เรี่องเรามามันเป็นเรื่องที่บามันมาถึงถึงเราเราจะไปโกรธเราจะไปแคร์เราจะไปนั่งขีดหยาดยามปล่อยทิ้งมันก็ไม่ได้อาการที่ท่านเรื่องเรามานี่เป็นส่วนหนึ่งจนโตมาบัดนี้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 เหตุเป็นเป็นยังไงเหตุนั้นในอาศัยอย่างอื่นมันอาศัยกี่ตัวเราเป็นผิดมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะถูกหรือมันจะผิดมันมีเหตุอยู่ที่เราไม่ใช่ต่อเหตุอยู่ที่อื่นอเช่าเราใส่แก้วใบนี้มันแตกเราก็เสียใจเศราะอะไรอะไรเป็นเหตุเรา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 ฉะนันำที่ทนว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แค่เท่านี้แหละการภาวนาการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นไม่ต้องมากกว่าเท่านี้แหละเราควรค้นในใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เรามีเมตตาการุณามมชิตาไหมเรามีความอิจฉาไยาบาทเตรไหมเรามีความเหลือดร้อนไหมเรามีความวุ่นวายไหมเรามีความเห็นผิดไหมเรามีอะไรไหมเราเหือดร้อนไหม มันเดือดร้อนเพราะมันมีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้เราควรรู้สึกนึกคิดในปไปถึงต้นตอของมันบาเหตที่มันเกิดมาจากอะไรก็ไปทําลายเหตุอันนั้นทำลายโดยวิธีที่จิตรณาอืโดยชนิดจิตนายมันรู้เท่าความเป็นจริงของมันรู้ถ้าความเป็นจริงของมันกับเหตุนั้นเองมันจะทุกข์มันไม่ทุกข์เฉยๆด็อกมันมีเหตุทุกข์มันจะเกิดขึ้นมา มันจะมีความสุขมันมันสุขเปลี่เฉยๆหรอกอ ม, มันจะต้องมีเหตุนัน่เนี่ยมีโยมผู้หญิผู้ชายเคย อ, อยากจะมาบวชที่โยมทําไมถึงจะบวชมีอะไรไหมไม่มีอะไรเจะขาดยาโ ก, กหกผิดนะยาโ ก, กหกใจทำไมมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่มีอะไรพอจะขามีสิ โกหกทำไ ม, มคือไม่รู้ตัวของเราจะมาพูดฟังจริงให้ฟังโกหกเหรอไล่ไปไร่ามาก็ไล่ความเออพ่อเขาไม่เคยู่บ้านพ่อเขาไปมีเนียน้อย น, นมาพูดกับพระไม่มีอะไรพราจะมาเฉยมันไม่เฉยหรอกคนเอยมันไม่มาหรอกนี่คือเหตุที่มันเกิดกับตัวของเราไม่รู้เรื่อง น้ำตามันหยดจงเป็นสายก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้มนี่เพราะเราขาดจากการภาวนาการภาวนานี่จึงเป็นเรื่องยิปฒนาให้เ ห, เห็นความจริงของมันทุกอย่างเมื่อเห็นความจริงของมันถูกอย่างแล้ยวมันก็หมดมันจริงคืออะไร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 ไม่เคยสบายใจแล้วว่าจะทานเพื่อเอามันไม่ได้จะทายัางไงนี่คือคนไม่รู้จกักคิดไปแล้วใจเหี่ยวแห้งแม่ทึงพูดถึงเรื่องพันธุทานที่พระพุทธเจ้าแต่มันดับไปตายแล้วมันก็ไม่เกิดคนบางคนฟังแล้วไม่สบายจนพูดออกมาจา ก, กว่าผมไม่เอาแล้วครับ อืมันมันจะยียังไงผมไม่รู้เรื่องอืมผมคิดถึงเมียผมผมคิดถึงรูปผมผมคิดถึงอะไรอะไรผมอยู่ตายไปก็ก็อยากจะไปเห็นอีกมันตายไม่เกิดนี่ผมไม่เอาอืเป็นโทษมันตกอยู่ในภพอันนี้คือวา่าสัตว์จําพวกนี้มันเคยอยู่ในภพมันมีที่อยู่เรื่องไม่มีที่อยู่นั่นไม่เคยมี ไปพูดถึงเรื่องไม่มีที่อยู่แต่ใจไม่สบาืมันแยกกันความเห็นนี่เมื่อตานอนอยู่ในอาจมท่านเล่าวิญญาณให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เคยเป็นเพื่อนกันทำบาปกรรมต่างๆกันก็ไปเกิดคนละที่ คนหนึ่งไปเกิดเป็นเทพบุตรคนหนึงไปเกิดไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในอาจมนั่นแหละอืเทพบุตรตนนี้พิจนาด้วยญาณคิดถึงเพื่อนว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหนเนาะเห็นไในเลยญาณโอ้ไปเป็นหนอนใหญ่อยู่อาจมนะเนี่ยเป็นนายเขาอยู่เนยอาโจมเนี่ยก็คิด มาเลยยานอเป็นปฏิหารมาตอมาอยู่นปากอาจมนั้นก็ไปเห็นเสื่อนอันนี้มันเป็นวิหารน่นเนี่นแล้วก็ไปเรียกถามว่าเออไปเห็นหน้ากันกับวีใจนะอืนอนมาเออแกไปอยู่เทียไอ้เราไม่เห็นกันนานเลยโอ้ยฉันไปอยู่เมืองสวรรค์นั่นเลยเมืองสวรรค์มันเป็นยังไง เรายังไม่เคยได้ยินเลยโอ้ยมันสนุกสนานมันสะอาดสะอ้างมันไม่อยู่อย่างนี้แล้ว อ, อยากได้เลยก็นึกเอาทําเอาจะกินจะอยู่จะดับจะนอนมันสบายกว่าเธอนะนี่ฉันมันส ง, ส, งสารเธอนะอ่ะเฮียบวุฒิของเราอะไรไปเรื่องความสุขในเมืองสวรรค์ น, นอนกับฟัง ฟังไปฟังไปถึงมาอะไรก็ทํามาเองอะไรก่อนีิดนิดเองร้องไห้เสงสารสงสารเพื่อนที่เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะแหนถ้าแกทุกข์ยากลําบากทำไมอยู่กับเราเช่นวันตัวนี้ฉันเนี่ยมันแสนมันสบายเลยในกองนิดิดเราเองถึงเวลาเข้าส็มโยนให้ทุ่มทำทุ่มทำทุ่มทำทั้งจิ้มทางอาบทางลอยท้งจมเนี่ยมันสนุกเยอเกินเนี่ย เห็นไหมไอ้ความเห็นของหนอนกับเทวบทแก้วประ บ, ระบุฟังแล้วส็มดปัญญาที่จะเทศในเพื่อนฟังเลยนีไปเลยน่ะนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมรับอันนั้นมันเป็นที่อยู่ของเขาจะไปว่าอะไรดีไปกว่านั้นเขาก็ไม่เห็นดีมันเห็นมันมันอยู่อย่างนั้นนีมันอาศัยพบอยู่พวกเราทางดายกับมอนกั น, นเราจะคิดง่ายๆเธอว่ า, ถ, า, าถ้าหากว่ามันจายไม่เกิดอย่างเนี้ย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 เมื่อเรามีอะไรอะไรอยู่อะไรอะไรนั้นมันก็จะเสียอยู่มันก็จะหายอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราไม่มีนั่นเชเลยก็ไม่มีอะไรจะหายอทำที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นมันมีสองแง่มันเป็นรูปปธรรมอย่างนึ่มันเป็นนามระธรรมอย่างนึ่รูปประธรรมนั้นมันคือวัตถุจะมีถ้วยใบนี้คนขโมยไปแหรือมันแตกแท้หรืออะไรแบบมันเสียไปเป็นวัตถุ แต่ความรู้สึกที่ว่ามันยังอยู่ที่มันเสียไปนั้น <c oughs> เป็นนามธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทันพิจารณาส่วนนี้อืม <c oughs> ส่วนจิตนี้ท่า <c oughs> นไม่พูดถึงส่วนวัตถุมันพูดถึงส่วนจิตนักภาวนาเราทั้งหลายถ้ามนหักในจิตฉลาดในจิตรู้จักตามรักษาจิตแล้วมันก็จะรู้จักว่าเมื่อมันยึดก็รู้เมื่อมันปล่อยมันก็รู้จัก เมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันจะไปอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันเพะนั้นธรรมะนี้ท่านกล่าวว่เป็นปัจจัดตังเป็นสิ่งที่บอกกันไม่ได้ได้อยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงอัคตารโอตถาสตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกไม่ใช่เป็นผู้ให้ อย่างเราไม่รู้จักทางที่ทางคนมาต้นทางท่านจงเดินไปที่นี่ฉันไม่เดินให้เธอเธอต้องเดินไปเองเธอฉันบอกเจอทางเท่านี้เพราะฉันเดินไปไม่ได้เราทาให้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันเป็นเรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิต เรื่องการภาวนาทั้งหลายนะั้นเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวัตถุที่พระพุทธองค์ท่านหมดที่เด่นตัณหาแล้วท่านก็ยังฉันอาหารอยู่ฉันดื่ม น, น้ําอยู่ใช้ผ้าจีวร อ, อยู่ใช้อะไรต่างๆทสมมตินะแต่ว่าท่นานรู้จักประมาณแต่ว่าท่านห่มจีวร อ, อยู่ท่านก็ไม่เอาฉันอาหารอยู่ท่านก็ไม่เอาอยู่ก็สิ่งที่มาอยู่ ถ้าจะฉันท่านระฉันก่อนฉันแล้วถ้ามันจะตายท่านก็ตายก่อนตายแล้วถ้ามันจะอิ่มก็อิ่มก่อนอิ่มแล้วมันอิ่มก่อนหมดถึงนั้นเช่นว่าเรามีถ้วยใบหนึ่งใช้อยู่สุวันเนี่ยหรืออย่างกระเป๋าโยมที่หิ้วมานั้นเนี่ยท่านเห็นแล้วว่ากระเป๋าใบนี้มันจางแตกมันจางพังท่านเห็นแล้วอืแก้วใบนี้ที่เราใช้มาสุวันนี้ อตัดน้ําดื่มอยู่ถวันนี้ท่านก็เห็นมาแก้วใบนี้มันแตกแล้วทําไมท่านจะเห็นว่ามันแตกอืก็เห็นมาแก้ว น, นี้ยังไม่มีแผลไม่แตกเห็นสิ่งที่มันไม่แตกนั่นเนี่ยท่านเรียกว่ามันแตกอยู่ในที่ไม่แตกนั่นแหล อ, อทําไมถึงท่านจะรู้จักว่ามันจะหายก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองมันจึงจะมีของหายอื ถ้ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะหายนี่อือย่างสังเกตตัวในตัวของจันทร์ว่าจันตายแล้วทําไมจะเห็นว่าตายเพราะตัวจันทร์ยังไม่ตายไอ้ตัวตายเนี่ยมันแอบอยู่ในสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละไอ้แก้วที่มันจะแตกแตกก็มันแตกด้วยสิ่งที่แก้วที่ไม่แตกนั่นแหละอืมันอยู่ในนั้นเนี่ยอริจังมันไม่เที่ยงนิดจังมันเป็นของเที่ยงมันก็แอบอยู่ในนั้นแหละอยู่ในอริจังนั่นแหละ อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคํานึงถึงการภาบนาแล้วนะมันจะไม่สงสัยอะไรเช่นนั้นอืมนะฉะนั้นคนเราที่จะต้องการบุญกุศล น, น, น่ะบุญกุศลอันเลิศอันประเสริฐที่สุดก็คือการปล่อยวางในจงเป็นโทษอืมเรื่อนี้นั่นเองบุญบุญอันเลิศบุญอันประเสริฐเป็นต้น บางคนก็ให้ทานการให้ทานปรารถนาเป็นนางเชพยิดาเ็นทีพระบุตรเ็นทน้นกาอาศัยที่เรามีอยู่ก่อนเยอาศัยการมดิโภคของฉันแต่วพระนั่นแกว่าผันโยมนั่นทางเรียกชื่ว่าจ้นถ้านอน น, าานั่นพระถนนจำวัด โายมก็เดียกว่านอ น, นเป็นไงนที่เียกว่าจำวัดพระมีหน้าที่พิจานาโดตรงถ้าจะนอนท่านก็ให้มีวัดวัดคือข้อปฏิบัติในการนอนไม่นอนเพื่อความสนุกสนานไม่นอนเพื่อความสุขเมื่อตื่นขึ้นมาจะลุกทำประกอบความเพียรอย่างทางับรีดเร็ว อันนี้เป็นข้อของพระเนี่ยแบบํำวัดยมสง่าที่เย็นเย็นนอนเนีมันดีมันนาน น, า น, นอนมากก็ ย, ยังดีมากเลยแบบสบายอนี่การ น, นอนไม่ได้มีอิภาวนาพนานนรศศนนะเจ้าคจีวนยินทบาทเจ้นาสนะคือบ้านเรา ที่วัดก็เรียกว่าพรลราบุหารกฐุที่บ้านเราก็เรียกว่าเรือนจตุอะไรทั้งๆนี่เรียกเรื่องเจนาชนะถ้าโยมอยู่เรียกว่าบ้านถ้าพระอยู่ก็เรียกว่าวัดกตุอย่างนี้ยาบำบัดโรคทุกสนิดไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระ ทั้งเนินทั้งโยมก็ย่อมเป็นโลคเป็นโรคเพราะอะไรเพราะเราป่าถนาเอาโรคแต่พวกเราถ้าโลคเกิดมาแล้วกว็เป็นภูมิไม่สบายใจไม่รู้จักว่าเรปาป่าถนาเอาโรคแต่ป่าถนาเป็นเทวราเป็นปัญญ์เป็นมนุษย์เป็นคนร่ําคนรวยเป็นอายุยืนนานนี่คือป่าถนาเอาโรค คือมันเปิดมาได้มันเปิดมาแล้วไดว้ปราร์นามาแล้วมันก็ได้สิ่งที่ปราร์นาทุกอย่างแล้วแต่ปราร์นาด้วยความบาบาบไม่ในตัวเองคือปาร์ น, รานามาเกิดปราร์นามาเกิดก็คือปราร์นาเอาโรคเมื่อโรคไปมาแล้วร้องไห้ไม่อยากได้มเป็นบาปอะไรเนาะเป็นเดือนอะไรเนาะเป็นทำอะไรเนาะเป็นทำเพราะว่าปาร์นาเอานั่นเองนะ่ใ่อืน่นหมือใจทำทำไม่เราลรอก อดูไม่ดียังจะหาพ่อเสหาหลงตาดูหมอหมอีกเช่นเดียวมาอีขันตึงทาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องว่า้ทําเอาทำก็ไม่รู้เรื่องไว้ทําคืออะไรทํำหนึ่งียว่าการกจะทำสิ่งที่ไม่รู้จักการจะทํางมงายเราปฎิฐานเอาความเกิดมาแล้วเมื่อความตายมาถึงไม่อยากจะตายอันนี้มันปฏิเสธเพื่อย่างนี้นี่พวกคํา คำป่าถนาอย่างนี้มันป่าถนะต่อการหลงความหลงมันเพงหลงอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวเราเบียดดวนสัตว์มาทุกวันนี้อ อ, อมันจะเห็นนกเห็นจิ้าเห็นตัวอะไรสารพัดเห็นปลาเห็นสัตว์ทั้งหลายแบเนี้ยเออมันจะอยู่ในน้ํามันจะอยู่บนบกมันจะมีรูปมีเ่้ามันจะเป็นพ่อสัตว์แม่สัตว์ต่อตามไปไม่มีใครจะใคร อยู่ยากมันเป็นแบบจะคุกกบตัวใหญ่ๆมาโอ้กรบตัวนี้มันแก่แล้วปล่อยมันเถอะในนี้เสีว่าเส้นสายมันปลาตัวใหญ่เลจนปล่อยตัวหนาเส้นสายมันเป็นพ่อปลาเมียปลาในนี้ใช้อื่ไปพบลูกมันอยู่ลูกมันกะปล่ยเถอะมันโตอย่างนี้ยิ่งดีแล้วไข่มันจะยิ่งเอาหมดทุกวันนี้บนเนี่ยไม่มีอาหารทานกินแล้วมันปดมันอยากไม่รู้ที่ไหนจะไปรู้อืม อย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์บานี้มันมีบุญบุญวาสนามากมายควรที่จะได้ภาว น, นาถ้าเป็นสาตว์ใครจะดูมั้ยน่ะอาจจะมาเห็นสนัขเดินไปินน เ, เป็นโรคเรื้อนตามนั่นนอยนป่วยคน เ, นเดินไปได้เราเอ า, เอาสุนัขเงียบไปโรงพยาบาลเนี่ย ม, มีใครว่าหมาตัวนั้จะตายเป็นโรคเรื้อนบีเอากระบ อ, อกามาจะฆ่ามันด้วย มันมาเจตาแล้ไตัวอะไรยืมวายคณะนี้ม า, ามําทางใดแล้วนี่มาถึงโศลเรามันดงลุงฆ่ากันดุงเสี่ยงกันจูดบ้านจูดช่องกันฆ่าตีดีโยกันเล่กันเบือดร้อนนะเมื่อใครจะมาถึงหนึ่วิ่ ง, งวิ่งประสาทแบบนี้นี่แหละที่จำคนทํากันมาไม่รู้เรื่องเราไปทํากัดอย่างเงี้ยเจ้พ่อมันเจาพ่อมันเจอแม่มันเจ้าแม่มัน เจอปูอย่ยามันต้อเอาปูเอาอยามันถึงนั้นเนี่ยได้มากแต่ได้จะดีใจเท่านั้นเนี่ยเมื่อวันละวันนี้มันมาถึงเรายัางไงละ่ะเผ่าวานบ้างจุดอะไรต่ออะไรวุ่นวายโหอย่างตวัวบางคนโตนในบ้านจ้องเรียนวิ่งไม่ต้องเอารูปมันเนี่ยเอาจัวคอดมาเลยอย่างนี้สัตว์ที่เราใช้มันทุกมาขนาดนี้หลายแล้วมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จากว่าสัตว์มันเป็นอย่างไร เมื่อมาถึงดาวเนรานี่มนชีวิตเราจะนะโอ้ยตัยวเลือดร้อนนะเจ้าบนก็วายเนี่ยในความจริงจรงอันนี้คือมนุษย์ที่จัตจิรฉ า, านมันทุกข์จริงกว่า น, นี้นี่ฉะนั้นเป็นมนุษย์แน่จใจโซถึงสัตว์จิรฉ า, านมันอยู่กันอย่างไรให้เราพิจรณาภาวนาถ้าเราภารณาเห็นชีวิตของเราของเขา อ, อ, อย่างนี้บ้านเมืองเราก็จะไม่มีอะไรกันแล้วมันจะเป็นสุขมันจะสบายมันจะสงบ ที่ดักขมามันเป็นอย่างนี้ที่มาขาดจากขม้านี่ก็เพราะอะไรวัตถุนี่แหละวัตถุสิ่งของนี่ยมันล่อลวงล่อลวงมันเป็นไปไม่จ่าลืมนะไอความเจริญนั่นหมาความเสี่องมาด้วยอย่าลืมทุกวันนี้มันรืดโลกมันเจริญขึ้นอะโลกโปมันก่อดียกว่ามืดโรคเจริญต่คือมันมืดมันเจริญขึ้น อย่างว่านต่อแล้วไม่ดเนี่ยมันจะเป็นเมืองเห็นไหมตัดส่วนมาลากเท้าเอาไปสร้ระพัดอย่างเพื่อความสะดวกก่อนไม่จะสะดวกก็จะมีไฟขมาจะมีน้ำขมาก่อนไม่จะสะดวกนะมันต้องไม่สะดวกมาสอนมันสะดวกมาแล้วต่อไปนันก็ไม่สะดวกเอ่แต่บ้านเจ็บกินให้หมด ร่างกายก็กินอาหารด้วยตาก็เอาหูก็เอาจมูกก็เอาดื้อก็เอากายก็เอาจิตเอามทุกอย่างเลยอายุยกระนาดทางไหนอารมณ์นี่มันจะใต้เรายิ่งตันักศึกษามันจะใต้รัฐบาลเนี่ยจะใต้เราทวันเนี่ยือมันเร่งนานๆไปจะไม่เห็นบาเห็นวาเลยอันนั้นก็อจิตอันนี้ก็อิตแตพอมันเจริญโลกมันเจริญขึ้นก็คือมืดมันมาก โลกูก็เดือดความมืดโลกจเจริญก็เดือดความมืดมันจเจริญความมืดมันะเจริญก็เดือดความสว่างมันก็หายไปใจคนก็ทับแทบใจคนก็เดียดร้อนไม่มีที่อาศัยวุ่นวายสิ่งที่มันเป็นตามสภาวะเหล่านี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นมาเพราะอะไรขึ้นอาหารการกินในทุกวันนี้สมัยเรากันอยู่เรือก็พอได้น้าปลาก็พอแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พอเอาผงชูรสเขามาเพิ่มก็ไปอีกแม้แต่ตามส้มมกราทะนั้นแหละผู้ที่เขาชำนาญในการกินน่ะจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสเขารู้เลยถ้าไม่มีผงชูรสตาชัเบื่งจะหาลหละมันติดอันนี้ถ้าไม่ที่นาบันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเึลยพัดอย่าง พระพุทกันในสอนแบบการพิจารณาในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ให้มากกว่าให้น้อยให้พอควรอาหารตัางหลายท่างฟวงนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเดียวมันเป็นโดคสักครึ่งหนึ่งม่คนละครึ่งมันให้ประโยชน์เราครึ่งหนึ่งมันให้โทษเราก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกัน ม, มันจะพายอยู่ให้ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราตายก็ครึ่งหนึ่ง มันจะพาให้เราจเจริญก่อคนระลึกลมจะพาให้เราเสียมันต่คนระลึกเนี่ยถ้าเรามองเห็นเช่นนี้แล้วก็ทําความพอดีได้ถ้าเราไม่มองเห็นคุดจะเอามาันอย่างเดียวเอามันทั้งนั้นเอามาันยิ่งไปเอามันทั้งนั้นไม่ต้องถอยไม่ต้องแบ่งไทรทั้งนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นในจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายทุกทีทุกทีทางลูกทางหลานทางอะไรอะไรยังไม่รู้เรื่อง เือมันเปลนเช่นนันก็วุ่นวายกันเนงเหมือนมันวุ่นวายมันวุ่นวายเมื่อมันความแยมความเจริญมันทามาถึงแล้วมันจบมันไม่รู้เรื่องฝ่ายพระศาสนาเนี่ก็คือกันฉันนั้นอการบวชสมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาทําอะไรกันจะปฏิบัติอะไรจะทำอะไรไม่รู้เรื่องอืมมันไม่รู้เรื่องเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้โลกมันระบาด พระพิกจุอยู่ปฏิวัตินิยมอยู่ปฏิวาติกันการอยู่ปฏิวาตินี่ป็ิว่าพระพิจุตต้องอบัตหนักควรแก้ไขได้เกี่ยวกับผู้พูดเกี่ยวญิงมไม่พูดอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ตั้งอยู่ปฏิวาตจับเอกสานที่วัดใดไปเคยมาอยู่ปฏิวัติโกนบอกกันให้อยู่ปริวัติเถอะ บอกญาติบอกโยมกะมาจาบุญชุนทานมาอยู่ปฏิบัติออกจากอาบาตพูดง่างอยอแต่ก็ไม่ได้ทําเหมือนครั้างพุทธการคร้างพุท ธ, ธาการถ่าไม่ทาอย่างนี้ทำมาภัยมีอะไรไหมไปขอโทษตาสลงไปขอกรรมาสหลวให้หลวงอนุเคราะห์ให้ใหทํากันที่สงบนะครับแต่ยวไแล้วเดียวนี้ต้องประกากันไปเลยหลายจังหวัดเชื่อจใจคนมากมา ก, มาก ก็เพื่อจะให้ดังนนมากๆแต่ละมันจะอืนตายแล้ว <c oughs> มันเป็นอะไรนี้ <c oughs> บางทีก็อืม <c oughs> เอาข้ามาให้กรรมการนุ่งจักบาทหันไปสองบาทสาม บ, บาทไอ้คนมาใส่แต่คนหลายหมื่นหลายแสนมันเป็หลายบาทหลายแสนขึ้นมาความมุ่งหมายมันไปใสอย่างนั้นมันไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนไอ้ความตั้งหลายจะมันเกิดขึ้นมาเป็นเช่นมาถึงวัน ย่อมเราทั้งหลายในรู้เรื่องกันแล้วก็ทํากันไปบวชสมาตอนออกพรรษา้วพระแล้วก็ไปอยู่ปฏิวัติกันทันเวลาอยู่ปฏิวัติมันหายบาปมานายกรรมเกิดมาเนี่มันสงสัยในรูปของจป็นไรต่ออะไรก็ไปทํากันอยู่ปฏิวัติอยู่ไปจนตลอดแต่ดูแรงตรื่นมปอยู่ห้าหกแสงก็ม่ามันทํากันไปแค่แบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์ในรูเรื่องยกตัว อ, อย่างง่าย การประพฤติปฏิบัติของพระเนรเอาพูดยังไงเงินก็ทองนี่แหละเงินทองไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้จับไม่ซื้อไม่ให้ขายไมย่ให้แบกไม่ให้เปลี่ยนไม่มีเงินไม่มีทองตามความเป็นจริงจะเห็นเดี๋วนี้ประชาชนเราทังหลายโอ้โหเนี่ยถวายการเพจพระกันแดก สามร้อยสี่ร้อยใส่ในย่ามา่โอ้ยดีใจดีเกินนั่นแหละทําบาปอืมต่ไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเออทาบาปถ้ามาถึงพระทิาหนอ่ยยมอมควรเนี้ยโปรดใช่ไหมพระถือตัวจะทำยังไงเนี่ยจะต้องเตนมใจอย่างนั้นอืมทีนี้ลูกหลานเราเกิดมากัา้ทุกวันเด้เห็นมาเอาเงินเหยพระไม่ผิดใไมทนนบุญทุกคนเลยเด่น น, นี่ฟังใจไหมเนี่ยพูดง่างยาฟังใจอื่นๆหลายกว่านู้นไม่พูด่ะที่เราทำกันอยู่ทุกวันมีเอาเงินใส่ย่ามมีพระถวายพระเนียกว่าเป็นบุญอันเลิศแล้วนี่คือกําลังกําลังหยับย่อมพระศาสนาให้เสื่อมโทมรมลงไปแล้วทําลายพุทธบริษัททั้งหลายพราพุทธเจ้าเนี่ยทำลายเองมันใจคนอื่นมาทําลายนกมันเสียไปอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้เกิดสองสิ่งไม่ต้องรักษาหรอกที่น่าทำให้มันไปเลย อย่างนี้เรียกว่าดำนาก็ไม่ต้องขาดแตต้องขถ่เลยว่าไงนะมันยากดำมันไปเลยตามฝ่าหญ้านั่นแหละไม่จะเกิดผลเลยมากมายไอ้ตรงไหนที่สําคัญมันไม่พอใจกระสาวเขาไอ้ตรงนั้นเลยสาคัญต้องปล่อยมันทิ้งไปแล้วอันนี้มันจะมีอะไรแต่เชื้อสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในโลกอันนี้แต่พุทธประวัติเราไม่ตั้งลงที่นี้ไม่มีรากฐานมีเสียาหาย ฉะ น, นบ้านเมืองของเรามันงจงไปไ็นร่มจมเป๋ออยู่ทีอันนี้เองไม่ใจะ อ, อื่นใจอดถ้าหากว่าใครรู้แล้วก็อยู่ในใจของใครอถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ขัดกันไปทางนั้นมันขัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกขัดเช่นนี้บ้านเมืองเรามันจะกระสับกระส่ายในกลุ่มพระสิจุสมานเองก็มีใครรับรองกันแล้วพูดกันไม่เคยได้ว่ากันไม่เคยได้ มนก็ลอยไปตามเพื่อ ม, มันก็วุ่นวายไม่ป้อกันรักษาประพฤติเลือดต่างคนต่างย่อนลงไปทุกคนทุกคนมันก็บุ่นบายสมัยนี้มันถึงขาดการประพฤติธปฏิบัติเมื่อขาดการประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเต็มทีเช่นว่าเชางรายเชงรายเชียงคำเดี๋ยวนี้เขกินเทวเย็นกันเป็นธรรมดาแล้ว ตอนเย็นาอาจิตัวขไปนในบ้าเยโยมเอามาส่งกนนะจินธรรมดาสบาอืมใน น, น, น, น, นี้เนะียแิขยันเนี่มันเียจริงๆขบวนเี่ยนี่แหละอืมนะถ้าพเราไปอยู่ไปฉันมือเดียวฉันส อ, ม, อมือเดียวโอ้ยเขาเกลียดที่สุดเลยเขาอยากจะให้มีอย่าไร่อย่าให้เนี่ยมันขวางเขาเขาเขามันจิ้มขยันแต่ทำไมถังโยมทำไมจะเอาขอยันในผ้าฉันเนี่ยจิ้น ขนาดนี้ท่านยังไม่อยู่เลยเจ้าค่ะอืท่านยังไม่อยากจะอยู่ให้เลย ม, มันม้นหมบแค่นั้นจะทําไงเจ้าหมดต่อไปกินขยิบนุ่งก็ไปอยู่กันละไปดอกกินขยิบเฉยๆเท่านั้นนะ่ก็หนีเท่นั้น น, น, น, น, นี่เรื่องเราประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติ ท, ที่พันพร้อมเทียงกันพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งใจไว้ เรามันจเจริญแล้วมันจะเสื่อมเสอมมันก็ดล็กเล็กๆแล้วมันก็จะโตโตแล้วมันก็จะแก่แกแล้วก็จะตายมันเป็นในตอนนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนมาวันคืนร่วงไปร่วงไปบาดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ท่านสอนเน่นหนักซ่าไม่ให้เราอยู่เฉยๆให้เราพิจารณาอยู่เราคิดถูกดีไม่ จะมีความสารพหรือไม่จะมีความตัวดีไหมืรามีอะไรบกพ้องในตายในวาจาใจขอเราไดไหมอะไรไหมตรวจดูเจ้าของนั้นแหะมันจะยืนตายแหละจะคนเราฟังเสวนาในเฉยๆใช่วันพินเลื่อนไปด่วนไปบันี้เราทาอะไรอยู่ก็เฉยก็มพราะมันเสียงพระพุทธเจ้าเราอ่านเองเนราะนั้นก็ไม่มีธรรมะก็ทาก็ได้ในท่านในไม่ใช่เป็นอะไรมันเป็นแค่อย่างนี้ จะทำไงคนที่ไม่รู้จักก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นจงคุ่มพองตัวเองนักปฏิบัติที่ไหนจะอยู่ที่ไหนที่นั่นเน่ยจะสงบจะอยู่ที่รุ่มรุ่มที่นั่นก็เป็นที่รื่นรมจะอยู่ที่โดนดอนที่นั่นก็เป็นที่ริ่นรมจะอยู่ที่สุกระปกที่นั่นจะเป็นที่สะอาดอืมจะอยู่กันที่ร้อนร้อนที่นั่นเนี่ยจะเย็น จัมปุปจุปโนไปอยู่อุจปจิปโนไปอยู่ยายะปะจิปโนไปอยู่สามิจิปจิปโนไปอยู่เราถ้ามีขนสมบัติทั้งสี่ประการ น, นี้ซึ่งจะให้เป็นพระอริยส า, าวกได้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นไฟไมัน้อเหยียบเืมไปอยู่ที่ไหนก็สะอาดมาเห็นแจ๋วตัวไปอยู่ที่ไหนรู้จักการรู้จักเวลา เช่นที่เรามาวัดทั้งหลายนี้เรียกว่ามาสร้างเป็นงานความดีเรี๋ยวว่ามาทำบุญเดี๋ยวว่ามาฟังธรรมจะ้มันกรดาษที่อยู่ที่อาศัยทั่ เ, อเรอยู่นี้ให้มันสะอาดสะอา้านแม้ตลอดถึงที่นั่งที่นอนเมื่เราจะลุกไปลุกมาก็ทําให้มันจะสะอาดตลอดถึงช่วงห้องน้ํทาทั้งหลายนั่นจะให้คิจาะไรดูว่าอันนี้ที่ไหนที่บ้านเรามี้หรือเปล่า ใครมาทำอะไรอะไรทีนี่ห น, น้ามัมาจากที่ไห น, นีให้ที่จะหน้าให้มันดีอืเราจะไปทําภระหน้าที่ก็รู้จักการจุดการปวดการสะอาดให้ เ, เดียบร้อยทุกคนถ้าอย่างนั้นฝายพระเป็นอาบัตหมดตพระพุทธเจ้าบอกเป็นอาบัติต้งนั้นยอมมก็ผิดมันเป็นอาบัติต้งโยอมมาเละให้คุ้มตัวเจ้าของให้สะอาดสะอาดและ ส, ะสะารสถานที่นั่นให้สะอาดให้ดีขึ้น เรื่องวรตถุปฏิปันโนสถานที่เราอยู่กันสถานที่เราปฏิบัติกันต้องมันสะอาดไปในบ้านหนึ่งในวัดหนึ่งในสถานที่หนึ่งในกลุ่มคนเราหนึ่งนั้นเนี่ยไม่จะรู้อะไรแล้วไปดูบ้านเขาตอนนี้ดูที่อยู่ที่อาศัยเขาหน่อยเป็นไงทำอะไรท่งมันเลยรวมกําลังลงตรงนี้เลยอันนี้เอง เจอมันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิพัสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นเป็นอารมณ์ยากอางไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานั่งค้นจากความสงสัยเพราะว่าการททั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงยมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่ เกิดขึ้นมายูทุกเวลาเห็นอยู่ทุกัน่ะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทางหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ประยึดมันหรือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัย เป็นเครื่องมีมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์มันนั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใอืน่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้หนึ่งก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรม ะ, อ, ะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติซึ่งแม้ว่า ใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เดล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เดียวนั้นมันไม่แน่อยู่เสมอทีเดียวออืยู่เสมอทีเดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปคู่ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอยา่าง เราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนียครูบาอาจารย์สอนมารูปนี้มันไม่สวยนะมันสกปรกไม่น่าปราถนาทางร่างกายตนแต่บุคคลอื่นอันนี้เป็นคาสอนของพระแต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันนึงอยู่อันนี้ก็ไม่สทำตัวมันมันยัง ยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เรวก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยแต่เราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่ น, นอนแล้วก็อันนี้มันไม่แน่ น, นอนอันนี้มันเป็นแกนสารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่ น, นอนอยู่รึอย่างนี้ <distraction> ปฏิบัติลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจมันเป็นที่พักของเรา เมื่อดําเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจแล้วมันจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้นอืเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเมื่อวันหลังจอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นอความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้น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 จะทำภายนอกเมื่อรู้จะทำภายในก็รู้จะทำภายนอกเมื่อรู้จะทำภายนอกก็รู้จะทำภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองจะ อ, อยู่ข้างในก็ตามจะ อ, อยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพระมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณณมันตนีบุตรท่านจึงกร่าท่านพระสานีบุตรว่าหาโรคเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วรับไป ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่นานั้นทุกเกิดมาแล้วกต่ทุกดับสุกเกิดมาแล้วแสุดดับไปเท่านั้นมันเกิดและมันดับเท่านั้นอันนี้ให้เราหมายมั่นหมาในการปฏริบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์